นายผู้พันคือตัวผมเองไม่อยากเปลี่ยนแล้วผมก็เป็นคนไม่เชื่อหมอดูเมียก็ไม่ด่าผมแต่ที่ผมอยากเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลก็เพราะผมติดแงกอยู่แค่พันเอ็ดพิเศษมาหลายปีแล้วขอเลื่อนขึ้นเป็นนายพลพ่อนายเขาเห็นชื่อก็ฉีกทิ้งทุกทีเขาว่าผมปากเสียก็มันคนตรงนายทําไม่ดีไม่ชอบเช่นชอบราชบางหลวง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 เอาละเดี๋ยวอาตมาจะเปลี่ยนให้แจวไปเลยแล้วก็จะเสกให้ด้วยรับรองผู้พันได้เป็นในผลแน่อาตมารับรองพันเปอร์เซขอพระคุณครับได้เป็นในผลเมื่อไรผมจะแจก้แค้นไอ้นายเฮงสวยคนนี้แน่ๆผมมั่นคนตรงครับใครดีก็ว่าดีใครชั่วก็ว่าชั่วไม่เหมือนไอ้พวกที่ชอบเลียแค่งเลียขานายเลวยังไงมันก็ยกยอว่าดีนายมีเมียน้อย ไปแย่งเมียชาวบ้านมามันก็ยกย่องเมียน้อยนายบางคนถึงกับเกราะชายกระโปงเมียน้อยนายขึ้นมาเป็นในพันนิพลแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันละอายใจแล้วผมก็ว่าด้วยไม่กลัวใครทั้งนั้นนายเขาก็เลยไม่ชอบผมแล้วก็หาว่าผมปากหมาคนเล่าหยุดหายใจท่านพระครูหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งเขียนชื่อนาสกุลให้เขาใหม่แล้วก็พับส่ซองหลับตาทาขมุกขมิบเป่าเพียงเพียงสองครั้ง แล้วส่งให้ในพันเอกพิเศษเอารับรองชื่อนี้ได้เป็นในผลแน่และอย่าลืมเปลี่ยนกลับเสียละกลับมาใช้ชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้ครับผมขอกราบข อ, ขอพระคุณมากครับโอกาสนี้ผมขอถวายปัดใจแด่หลวงพ่อไว้ใช้สอยในส่วนตัวเขาก็ประเก็นซองสีขาวแก่ท่านอ๋อข้าจ้างเปลี่ยนชื่อหรือท่านถามยิ้มยิ้มหาไม่ได้ครับผมตั้งใจจะทาบุญอยู่แล้วครับ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 ยังไรเนี้ยเขาต้องเป็นในผลแน่ๆอยู่แล้วอาตมาก็เลยช่วยรุนเขาหน่อยเอาละมีใครมีปัญหาอะไรก็ว่าไปเวลาสามทุ่มแขกคนสุดท้ายลุกออกไปแล้วหากท่านพระครูยังไม่ยอมลุกจากอาสนะนายสมชายจึงถามว่าหลวงพ่อเหนื่อยจนลุกไม่ไหวหรือเปล่าครับผมจะช่วยประคองขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ต้องหรอกแขกกาลังจะมาอีกรายหนึ่ง เจ้าหมีมันออกไปรับถึงหน้าประตูวัดแน่ท่านเห็นเป็นไปได้หรอครับก็เจ้าหมีมันไม่เคยเป็นนิดกับใครๆทําไมเกิดจะไปเป็นญาติดีกับรายนี้ก็เล น, ม, นมันมันมีศัก์เป็นปู่ทวดของแขกรายนี้เห็นไหมพอเข้าลงจากรถมันก็เข้าไปเลียแข้งเลียขาเลียหมดทุกคนทั้งลูกลูกเขาด้วยผมไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าผมมองทะลุฝาอย่างหลวงพ่อไม่ได้ชายหนุ่มว่า ถ้าอยากทำได้ก็หมั่นปฏิบัติกรรมฐานผมว่าอยู่อย่างนี้ดีล้วครับขืนเก่งเหมือหลวงพ่อผมคงทนไม่ได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนแถมได้นอนวัละแค่สองชั่วโมงพอดีกับเจ้าหมีนำอคันทุกกะเข้ามาในกุฏิเป็นชายวัยสาสิบเศษมากับภรรยาวัยเดียวกันพวงท้ายได้บุตรชายหญิงวัยแล่เรียกกันถึงห้าคนหลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่มารบกวนในยามวิการ โยมาจากไหนล่ะท่านถามเหลนเจ้าหมีผู้เป็นปู่ทวดส่งเสียงงืดนาดและก็เดินเลียลูกของเหลนอย่างรักใคร่จนครบทั้งห้าคนผมมาจากภูเก็ตครับทำเหมืองแร่อยู่ที่นั่นผมกำลังจะพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อนเขาสั่งว่าให้แวะกราบหลวงพ่อที่วัดป่ามาม่วงให้ได้เขาบอกว่าพอถึงกิโลเมตรที่ร้อยสามสิบก็ให้เลี้ยวรถเข้าไปเขาพูดถึงหลวงพ่อให้ผมฟังบ่อย จนผมอยากจะมารู้จักหลวงพ่อเพื่อนผมเขาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาชื่อจารินครับอ้อโยมจารินนั่นเองและโยมทานอาหารกันแล้วหรือยังละ่ะเหงาหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่อครับผมขอถวายปัจจัยร่วมทาบุญกับหลวงพ่อครับถ้ามีนักเรียนยากจนขัดสนหลวงพ่อกรุณานาเงินจนนานวนนี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เขาด้วยผมขอถวายหนึ่งืนบาทครับ เขาประเคนซองสีขาวแด่เจ้าของกุฏิอัตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมและก็ครอบครัวตกลงอัตมาจะจัดการให้ตามความประสงค์และจะตั้งชื่อทุนนี้ว่าทุนเสริมสมองถ้าใครจะมาสมทบอีกอัตมาก็จะได้ตั้งเป็นมูลนิธิการช่วยเหลือคนยากจนให้ได้เรียนหนังสือจะทําให้ได้อนิสงก็คือลูกหลานของเราก็จะเรียนหนังสือเก่งและก็จะได้เป็นเจ้าคนนายคน อาตมาขออนุโมทนาเมื่อเขาลากกลับเจ้าหมีก็กุลีกุจอไปส่งถึงรถเลี้ยแค่งเลียขาเหลนและลูกๆูกของเหลนแล้วก็วิ่งตามรถเบนซ์คันนั้นไปจนถึงประตูหน้าวัดแล้วก็ไม่ได้กลับมานอนที่กุฏิชั้นล่างเหมือนดังแต่ก่อนท่านพระครูรู้ว่ามันจะลาโลกนี้ไปในวันพรุ่งนี้คือวันรุ่งขึ้นเพราะหมดห่วงแล้วเลนของมันได้มาทําบุญ ที่วัดป่ามะม่วงตามที่มันคาดหวังและรอคอยมารุ่งเช้าหญิงชลาที่เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในวัดป่ามะม่วงได้มาเล่าให้ท่านพระครูฟังว่าพบเจ้าหมีนอนหายใจระทศระทวยอยู่หน้ากุฏิกรรมฐานจึงเรียกคนมาช่วยกันอุ้มมันไปอาบน้ําถูสบู่จึงสะอาดสะอ้านและปูผ้าขาวให้มันนอนมันก็นอนตายอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณเก้านาฬิกาท่านพระครูรับทราบแล้วจึงให้หนอนสมชาย ปนิมนต์เนรสีรูปมาบังสุกุลให้มันพร้อมกับให้นำเงินใส่ซองถวายเนรไปรูปพระห้าสิบบาทบังสุกุลแล้วนายสมชายก็จัดการขุดหลุมฝังศพเจ้าหมีไว้ใต้ต้นปีบเจ้าโฮมกับเจ้าขาวมาร่วมในงานฝังศพพี่ชายของมันด้วยแต่ไม่ได้ร้องไห้คนที่ร้องไห้จะเป็นจะตายก็คือนายขุนทอง วันที่สิบห้าสิงหาคมพุทธศักราช2521ันาสิบรรดาศิยานุสิ์ได้จัดงานคล้ายวันเกิดให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอย่างสมเกียรติที่สุดหลายคนรู้ว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยอีกสองเดือนข้างหน้าท่านจะต้องประสบอุบัติเหตุถึงแก่มรณะภาคผู้ที่ยังตัดไม่ลงปรงไม่ตกพากันแอบร้องไห้ไว้ล่วงหน้าพระบูเยลนั้นแม้ตตัดใจได้หากก็รู้สึกเสียดายอะไรอววร ในความคิดของภิกษุหนุ่มอุชนิยบุคคลเช่นท่านพระครูคงหายากนักในโลกอันแสนวุ่นวายนี้แจกันสีครามบรรจุดอกดาวเรืองสีเหลืองอาร่ามปัดกับสีเขียวของใบเตยดูสวยงามแปลกตาภิกษุเชื้อสายยวนตั้งใจตกแต่งอย่างประณีตที่สุดด้วยรู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงกตัญญูกตเวทิตารมต่อพระอุปัชฌา ย, ยาจารย์ วงมหโหรีปีพาดมาบรรเลงในงานเป็นวงเดียวกับที่เคยมาเล่นทุกปีทว่าครั้งนี้คนฟังกลับรู้สึกว่าแต่ละเพลงที่บรเลง น, นั้นฟังเศร้าส้อยเสียลึกเข้าไปในหัวใจหัวจิตไม่ผิดกับบรรเลงในงานศพออปชุมหลังใหญ่ขนาดเจ็ดคูณยี่สิบวาชิ้นเงินค่าก่อสร้างหนึ่งล้านห้าแบาทเสร็จทันเวลาและได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานวันเกิด ครั้งสุดท้ายของท่านสมภารผู้ซึ่งสั่งเสียพระบูฮียวไว้ว่าให้ใช้หอประชุมแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจใคร่ธรรมตลอดจนญาติโยมผู้ที่มีความทุกข์เพราะต่อแต่นี้ไปจะไม่มีผู้ใดมาช่วยแก้ไขปัญหาหรือขจัดปัดเป่าทุกข์ให้เหมือนเช่นแต่ก่อนพวกเขาจะต้องแก้ปัญหาแก้ทุกข์ด้วยตัวเองโดยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับมูลนิธิทุนเสริมสมองนั้นมีเงินอยู่ในบัญชีของธนาคารกว่าหนึ่งล้านบาทเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้มอบหมายให้พระมหาบุญเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการนำดอกผลมาใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเกรียนที่ยากจนส่วนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์วิปัสนากรรมฐานซึ่งเท่าแก่เซงและเท่าแก่บกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ขึ้นนั้น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 และกลาวคารวะท่านพระครูผู้ซึ่งนั่งเด่นเป็นสง่ายอยู่บนตังไม้สักสลักลายกะหนกอ่อน้อยงดงามเบื้องหน้ามีแจกันกระเช้าดอกไม้ตั้งเรียงรายจนล้นออกไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวารับประเค้นดอกไม้จากเสร็์แล้วท่านจึงนำสิ่งของไปมอบให้โยมารดาวัายเจ็ดสิที่นางพระเพียบอยู่หน้าอาสนะสงของที่นำไปมอบมีผ้าจงกระเบนลายไทยหนึ่งผืน เสื้อตัดด้วยผ้าลูกไม้อย่างดีหนึ่งตัวและปัจจัยอีกสองร้อยบาทท่านประครองห่อของขวัญเดินไปคุกเข่าตรงหน้าโยมมารดาวางของไว้ทางด้านขวามือและก้มลงกราบมารดาสามครั้งแบบเดียวกับกราบพระด้วยถือว่ามารดาบิดาเป็นพระอระหันต์ของบุตรกราบเสร็จจึงหยิบห่อของขวัญมอบให้โยมแม่อัตมาขอกราบลา ขอให้โยมแม่จงมีอายุยืนยาวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิท่านอวยพรโยมมารดาท่านจะลาไปไหนโยมมารดาถามอัตมาจะไปบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีต่อในปัโลกในวันที่สิสี่ตุลาคมอัตมาจะออกเดินทางพระลูกชายตอบคําถามโยมมารดาขอให้ท่านโชคดี ขอให้บรรลุมรคผลสมดังความตั้งใจนะท่านนะไม่ต้องเป็นห่วงโยมพี่ๆของท่านก็คงจะดูแลโยมอย่างดีอาตมาขอกราบขอพระคุณพร้อมกันนี้อาตมาก็ขออโหสิกรรมจากโยมแม่หากอาตมาได้พลาดพลั้งล่วงเกินโยมแม่ไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอโยมแม่ได้โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยโยมอโหสิให้ท่านทุกอย่าง และโยมก็ขออโหสิกรรมจากท่านเช่นกันอาตมาอโหสิให้โยมแม่ท่านก้มลงกราบโยมมารดาอีกสามครั้งแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับไปนั่งพระเพียบนต่างไม้ศักดิ์ สิบนาฬิกาพระสมเก้ารูปซึ่งนิมนต์มาจากวัดต่างๆในจังหวัดเริ่มเจริญพระพุทธมนและสวดธรรมจักไปจนถึงเวลาส1บเอดนาฬิกา29นาทีจากนั้นญาติโยมช่วยกันประเคนพระทหารแดบบพระสงฆ์ทั้งเก้ารูปและพระภิกษุสมณีแนห่งวัดป่ามะม่วงซึ่งมีทั้งสิ้นเก้าสิบรูปรวมทั้งท่านเจ้าของวันเกิด เป็นปีที่มีพระเนนจาพัรษามากที่สุดนับตั้งแต่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ภิกษุไวห้าสิบเศษมีท่าทางว่าจะไม่ฉันพัทธหารเหมือนเช่นเคยนายสงชายจึงไปกระซิบอาจารย์ชิดให้ช่วยขยันขยอยให้ท่านฉันบุรุษไวหกสิบสี่จึงคลานเข้าไปนั่งคุกเข่าวตรงหน้าตัางพนมมือแล้วกล่าวว่านิมนต์หลวงพ่อฉันสักนิดเถอะครับลูกศิษย์ลูกหารู้สึกไม่สบายใจ ที่เห็นท่านไม่ฉันท่านพระครูมองอาหารหวานขาวที่ลูกศิษย์จัดใส่พานกระไหลทองมาถวายและจึงฉันไปสองสามคำเพื่อไม่ให้พวกเขาเสียน้ำใจเสร็จแล้วจึงรวบช้อนยกถ้วยบรรจุน้ำชาขึ้นดื่มตลอดชีวิตของท่านไม่เคยที่จะติดใจหลงไหลในรูปเสียงเปลิ่นรสหรือสัมผัสที่น่าใครน่าพอใจ การมาคุณห้าไม่เคยมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนักคิดของท่านเมื่อพิกษุและสามเณรทั้ง99รูปเสร็จจากการฉันพัตหารบรรดาญาตโยมช่วยกันประเคนจตุปัจจัยทยธรรมปัจจัยที่พวกเข้าถวายท่านพระครูมีจำนวนกว่าสองแสนบาทซึ่งท่านตั้งใจจะนำไปสมทบทุนโมลนิธิทุนส่งเสริมสมองต่อไปจากนั้นอาจารย์ชิดประกาศทางไมโครโฟนว่า ท่านพระครูจะแสดงธรรมเทศนาโปรดโยมมารดาและญาติโยมเพื่อให้คนฟังได้บุญอันเกิดจากการฟังธรรมหรือที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าธรรมสวรรค์ม่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอารัมพบทก่อนแสดงธรรมว่ากราบนมสการพระคุณเจ้าที่เคารพและขอเจริญพรแด่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่รักและนับถือทุกท่าน อาตมารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาญาติโยมและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานฉลองวันคร้ายวันเกิดให้อาตมาเพื่อเปิดโอกาสให้ได้ทำบุญสร้างกุศลร่วมกันกิจกรรมดังกล่าวนี้แม้จะไม่ได้มีบัญญัติไว้ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากพุทธศาสนิกชนก็ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็นประเพณี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 การตายแบบนั้นมันเดียวหรือไม่อาตมารับรองได้ว่าเขาจะต้องไปสู่ทุกขติเพราะคนที่ตายขณะที่ขาดสตินั้นไม่มีทางที่จะไปสู่สุ ข, ขติได้อาตมาขอบิณฑบาตเถนะขอญาตโยมอย่าไปจัดงานฉลองวันเกิดกันแบบนั้นเลยเพราะนอกจากจะหาประโยชน์ไม่ได้แล้วยังจิ้นเปลืองเงินทองอีกด้วยบรรดาญาตโยมที่ฟังอยู่ไม่มีผู้ใดคิดโต้แย้ง หรือคัดค้านสิ่งที่ท่านพูดบางคนเคยทำเช่นนั้นก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอีกเอาละ่ะในโอกาสที่ญาติโยมได้พร้อมใจกันจัดงานวันเกิดให้อัตมาในวันนี้ อาตมาจะตอบแทนบุญคุณด้วยการแสดงธรรมเทศนาให้ญาติโยมฟังโดยจะเทศเรื่องพระคุณแม่และก็คงจะเป็นการเทศครั้งสุดท้ายเพราะปีต่อๆไปคงจะไม่มีการจัดงานวันเกิดของอาตมาอีกท่านบอกเป็นนใๆซึ่งหลายคนก็รู้ว่าท่านหมายถึงอะไรที่อาตมาเลือกเทศเรื่องพระคุณแม่เพราะรู้สึกาซาบซึ้งในพระคุณของท่านถ้าไม่มีแม่เราทุกคนก็คงไม่ได้เกิด อันนี้เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อฟังเทศแล้วให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอศีลขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำธูปเตียนแพรไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษบางคนไปลังเกียดคุณแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งาม พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงเกวียนกมเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมันทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญได้การเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับคนฟังมีทั้งพระภิกษุสมเนน และคารวาต่างพากันลำลึกถึงมานดาของตนคนที่เคยเทียงพ่อแม่คำไม่ตกฟากก็เพิ่งจะรู้ว่าได้สร้างรมทำเขียนไว้กับผู้บังเกิดเก้าจึงคิดที่จะกลับไปทำตามที่ท่านพระครูแนะนำ ญาติโยมโปรดจําไว้วันเกิดของลูกคือวันตายของแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่อาจจะต้องเสียชีวิตการออกศึกสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนเป็นพ่อฉันใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงตายสำหรับคนเป็นแม่ฉันนั้นในสมัยโบราณที่วิทยาการต่างๆยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้อัตราการตายเพราะคลอดลูกมีสูงมากคนโบราณก็จึงกล่าวว่า วันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่เมื่อคลอดลูกแล้วแม่ก็ยังต้องประครบประงมเลี้ยงดูให้ดื่มเลือดในอกเป็นอาหารยามที่ลูกเจ็บป่วยก็อมยาพ่นฝนยาทารักษากันไปตามมีตามเกิดแม่เฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่กระทั่งลูกแต่งงานมียาวยวเรือนไปแล้วแม่ก็ยังเฝ้าห่วงใยรักใคร่ไม่จืดจางท่านหยุดจิบน้าชาจากถ้วยแล้วก็เทศต่อ อาตมาเห็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสของคนเป็นแม่ตอนที่เป็นหมอตำยทำคลอดให้พี่สาวแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านพ้นมาเกือบที่สิบปีก็ยังจำภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ติดตาติดใจมากระทั่งทุกวันนี้อาตมาจะเล่าให้ญาติโยมฟังท่านหยุดทบทวนเรื่องราวแต่หนหลังแล้วก็เล่าว่าสมัยนั้นอาตมาอายุสิบหแต่ยังไม่ประสีระษาอะไร ยังเปรยกายกระโดดน้ำตูมๆกับเพื่อนอย่างสนุกสนานแต่เด็กสมัยนี้อายุ16เป็นหนุ่มกันแล้วท่านเล่าถึงชีวิตแสนลำเค็ญในครั้งนั้นว่าอาตมาอาศัยอยู่กับยายลำบากลำบนมากต้องหาเงินเรียนเองตื่นตั้งแต่ตีสาหาของไปขายที่ตลาดบางขามห่างจากบ้าน14บกิโลเมตรถึงตลาดตีสี่กว่าๆก็นั่งขายของซึ่ง เป็นพวกผักสวนครัวที่ช่วยกันปลูกกับยายพอตีห้าก็ขายหมดบางวันขายไม่ค่อยดีก็ไปหมดเอาเจ็ดโมงเช้าจากนั้นก็หากระจาดเปล่ากลับบ้านหิวข้าวก็ต้องทนเอาเพราะยายสั่งไม่ให้ซื้อข้าวกินให้กลับมากินที่บ้านเรายายว่าซื้อข้าวกินมันแพงจานละตั้งสามสตางค์สู้กลับมากินข้าวที่บ้านไม่ได้อาตมาก็จาเป็นต้องเชื่อยาย บางทีกว่าจะถึงบ้านหิวแทบเป็นลมจับอยู่มาวันหนึ่งขณะที่อาตมาหากระจาดเปล่ากลับบ้านก็พบกับพี่สาวกลางทางเขากำลังท้องแก่จะเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านของแม่เขาซึ่งเป็นป้าของอาตมาที่ต้องเดินทางไปคลอดบ้านแม่เพราะว่าเขาอยู่กับแม่ผัวซึ่งรังเกียจว่าเขาจนและไม่ยอมช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ประการใด เดินไปได้ครึ่งทางก็เกิดปวดท้องนอนร้องควนครางอยู่ใต้ต้นไทรพอเห็นอาตมาเดินผ่านมาเขาก็ดีใจพูดกับอาตมาว่าน้องเอ๋ยช่วยพี่ด้วยพี่ปวดท้องใจจะขาดอยู่แล้วช่วยเอาลูกออกให้พี่ทีอาตมาถึงจะอายุ16แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาออกลูกกันยังไงผู้ใหญ่เขาเคยพูดให้ฟังว่าเขาออกลูกทางปากบางคนก็บอกออกทางสะดือบางคนก็บอกว่าออกทางก้น อาตามาก็เชื่อนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆที่แท้ก็ถูกผู้ใหญ่เขาหลอกเพิ่งมารู้ความจริงก็ตอนทำคลอดให้พี่สาวนี่แหละพี่สาวก็ร้องใหญ่เขาบอกปวดมากแล้วก็เป็นลูกท้องแรกจึงยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการคลอดลูกมา ก, ก่อนได้ยินพี่สาวร้องโอยๆ อ, อาตามาก็ทําอะไรไม่ถูกเลยถามเขาว่าให้ช่วยยังไงเขาก็บอกช่วยดึงเด็กออกจากท้องให้เขาทีมันกําลังจะออกแล้ว อาตมาก็งงอยู่เลยนึกถึงเทวดานึกตามภาษาเด็กๆไม่รู้ว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าแต่ยายเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็คิดว่าคงจะมีมั้งก็เลยประนมมือบอกรุกขเทวดาประจําต้นไสให้ช่วยแล้วก็ร่ายคาถาชุมนุมเทวดาที่ยายเคยสอนจนจําได้ขึ้นใจแล้วท่านก็ร่ายบทชุมนุมเทวดาด้วยเสียงที่ไพเราะเพราะเพลงว่า สัคเกาเมจรูปเปคิริสิกขะรัตเตจันตลิขเวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุวันนะขะหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตพุมมาจะยันตุเทวาชละทะละวิสเม ย, ยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนงัง สาธโวเมสุนันตุธรรมสวรกาโลอยมพะทันตาธรรมสวรกาโลอยมพะทันตาธ ร, รมสวรกาโลอัยัมพะทันตาคนฟังก็พากันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รู้สึกว่าหูของตนมีบุญที่ได้ฟังท่านร้พระคถาเพราะว่าคถาจบเทวดาก็เข้าสิงอตมาเลย ที่รู้ว่าเทวดาเข้าสิงเพราะท่านมากระซิบที่ข้างหูว่าดึงเด็กออกมาดึงเด็กออกมาอาตมาถามดึงยังไงเด็กอยู่ที่ไหนเทวดาก็บอกอยู่ในท้องเอามือล้วงเข้าไปในผ้าถุงก็จะเจอหัวเด็กอาตมาก็ทําตามดึงรวดสุดแรงเลยเสียงพี่สาวร้องกรี๊ดแล้วสลบเหมือดไปอาตมาก็ตกใจเพราะเห็นไส้า ย, ยาวติดตัวเด็กออกมา คิดว่าเราคงดึงไส้พี่สาวออกมาหมดท้องแล้วมั้งพี่สาวคงต้องตายแน่ๆจะทำยังไงดีน้อเสียงเทวดากระซิบข้างหูว่าไม่ตายหรอกแค่สลบไปเท่านั้นไปจัดการตัดสายรกให้เด็กก่อนที่เธอเห็นนั่นเรียกว่าสายรกไม่ใช่ไส้ของพี่สาวเธอหรอกอัตมาก็ถามว่าเอาอะไรตัดละ่ะมีดพราก็ไม่มีเทวดาบอกเอาเล็ของเธอนั่นแหละเจ็กแน่น แล้วก็ดึงมันให้ขาดเองสมัยนนะั้นอาตมาก็ถามว่าเอาอะไรตัดละ่ะมีดพระก็ไม่มีเทวดาบอกเอาเล็บของเธอนั่นแหละจิกแน่นๆแล้วก็ดึงมันให้ขาดเอง สมัยนั้นพวกหนุ่มๆรุ่นๆเขาก็นิยมไว้เล็บยาวกันเรียกว่าเป็นแฟชั่นอาตมาก็ไว้กับเขาคือเข้าเจวไว้เล็บข้างลาสองนิ้วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยอาตมาก็ทําตามที่เทวดาบอกพอรกขาดเลือดก็พุ่มเด็กส่งเสียงร้องอ้แวลั่นปากเทวดาบอกอีกว่าไปเอาฝุ่นมาโรยตรงแผลอาตมาก็กอบฝุ่นโรยลงไปปรากฏว่าเลือดหยุดไหล แต่เด็กไม่หยุดร้องเทวดาบอกอีกว่าเอากระบอกไปตักน้ํามาหยอดปากพอดีมีกระบอกไม้ไผ่อันหนึง่งแขวนอยู่ที่กิ่งไทรไม่ทราบเหมือนกันว่าใครนําไปแขวนไว้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้นะท่านพูดยิ้มยิ้มคนฟังก็ยิ้มตามข้างๆต้นไทรมีหนองน้ําอยู่แห่งหนึง่งอาตมาจึงไปหยิบกระบอกเดินไปตักน้ำมาหยดใส่ปากเด็กเจ้าหนูก็หยุดร้องไห้เลยดูดหยดน้ําจากนิ้วมืออาตมา เสียงดังจุ๊บจุเป็นภาพที่ซึ้งใจอาตมาจนทุกวันนี้ได้เห็นสัญชาตญาณการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตก็ตอนที่เจ้าหนูดูดน้ําจากนิ้วมือนี่แหละพอได้น้ําเจ้าหนูก็หยุดร้องเทวดาก็กระซิบข้างหูอีกว่าช่วยพี่สาวเถดวนดูดปากเอาเลือดที่ค้างออกอาตมาก็เอามืองางปากพี่สาวดูดเลือดและเสมหะของพี่สาวแล้วก็บ้วนทิ้งไม่ได้นึกรังเกียจเพราะกลัวเขาจะตาย สักพักพี่สาวก็ฟื้นถามว่าน้องเอ้ยลูกพี่ผู้หญิงผู้ชายพอรู้ว่าได้ลูกชายเขาก็ดีใจอาตมาก็เลยช่วยพากลับบ้านทั้งแม่ทั้งลูกปัจจุบันนี้พี่สาวอายุเกือบหกสิบส่วนหลานชายที่อาตมาทำคลอดอายุสี่สิบแล้วนี่แหละที่ทำให้อาตมาเห็นใจคนที่เป็นแม่แล้วก็รักแม่มาตั้งแต่บัดนั้นเมื่อท่านเทศจบหลายคนแอบเช็ดน้ำตารวมทั้งโยมมารดาของผู้เทศด้วย ข้ตรูของวันที่14ตุลาคม2521ขณะที่ท่านพระครูกําหนดจิตออกจากผลสมาบัติเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใกล้หูวันนี้ใช้หนี้นกกระสาท่านตอบในใจรู้แล้วเมื่อหกเดือนก่อนก็มาเตือนครั้งหนึ่งแล้วและยังไม่ทันจะลืมตาเสียงเดิมบอกอีกว่าใช้หนี้เต่าด้วยก็ใช้ไปแล้วไงใช้ไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2514 ทำไมถึงมาทวงอีกท่านยังจำได้แม่เหตุการณ์ที่ผ่านมาถึงเจ็ดปีเต็มๆวันนั้นใช้แค่เงินต้นแต่วันนี้จะคิดดอกเบี้ยเป็นอันว่าวันนี้ใช้สองงานเลยก็ดีจะได้หมดหนี้หมดสินจากนั้นท่านก็ตั้งจิตแผ่เมตตาเบียงสัพรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะนกกระสาฝูงนั้นกับเต่าเจ็ดตัวที่รับจ้างก็ต้ม เสร็จกิจ ด, ดังกล่าวจึงลงไปสมน้ำแปลงฟันแล้วออกบินทบาดโปรดสัตว์โดยมีนายสมชายหิ้วเป็นโตเดินตามหลัง โยมอาตมาขอขอบใจที่ใส่บาตรให้ชั้นมานานวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะเวลาเที่ยงยี่สบห้าอาตมาจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตายมาบินธบาตไม่ได้อีกขอให้โยมจงมีความสุขความเจริญนะโยมนะท่านจะพูดเช่นนี้กับผู้ที่มาใส่บาตรทุกคนหลายคนเชื่อแต่รู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้พบกับท่านอีกแต่บางคนก็คิดว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงถ่าจะเพี้ยนเสีแล้วมีอย่างที่ไหน มาบอกว่าจะตายวันนี้ใครเล่าจะรู้วันตายของตัวเองพิกนแท้ๆกลับจากบิณฑบาตโปรดสัต์ท่านฉันพัตหารแล้วจึงจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าเขียงที่มาเตือนนั้นถูกท่านบันทึกไว้ทุกถ้อยคำเสร็จแล้วก็ลงมารับแขกยังกุฏิชั้นล่างประโยคแรกที่พูดกับพวกเขาก็คือต่อไปนี้ญาติโยมต้องช่วยตัวเองแล้วนะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่า อัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้อัตมาเองก็จะไปวันนี้แล้วหลวงพ่อจะไปไหนคะสตรีผู้หนึ่งถามไปตายท่านเจ้าของกุฏิตอบยิ้มยิ้มหลวงพ่อพูดอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาใจฟอร์หมดอย่าพูดเล่นอย่างนั้นเลยนะครับผมขอร้อง มุรุตผู้มาถึงเป็นคนแรกเข้าใจว่าท่านพูดเล่นอาตมาพูดจริงๆนะเมื่อเช้ามืดเจ้ากรรมนายเวรเขาก็มาทวงแล้วอาตมาเคยหักคอนกเป็นสิบสิบตัวแล้วก็รับจ้างเขาต้มเต่าวันนี้เพียงยี่สิบห้ารถต้องคว่ำคอหักตายคนฟังก็พากันตรนกสตรีวัยกลางคนแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็จะออกไปไหนสิคะอย่าไปขึ้นรถ จะได้ไม่ต้องรดความทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมที่จะมาแนะนำให้อัตมากโกงเสแล้วโกงใครไม่กโกงไปโกงกดแห่งกรรมอัตมาทำไม่ได้หรอกโยม แล้วหลวงพ่อไม่เสียใจไม่เสียดายชีวิตหรอครับบุรุษอีกผู้หนึ่งถามเสียดายทาไมลราโยมคนที่เสียดายชีวิตแสดงว่าเขายังไม่เข้าใจคติแห่งความตายการตายก็เหมือนการย้ายบ้านคนที่ทำกรรมดีไว้มากก็จะย้ายไปอยู่ที่บ้านที่ดีกว่าหลังเก่าก็คือสะดวกสบายกว่าแต่คนที่ทากรรมชั่วอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านในนรก สำหรับอาตมาก็คงจะไปอยู่บ้านที่ดีกว่าบ้านนี้จะนอนตื่นสักเที่ยงวันเพราะไม่ต้องลงรับแขกคราวนี้คนฟังหัวเราะแล้วกันมาหัวเราะเยาะกันจะแล้วมีอาตมาพูดจริงๆนะบ้านนี้หาความสุขไม่ได้เลยต้องทำงานหนักแสนหนักจนแทบไม่มีเวลากินเวลานอนหนูไม่เคยเห็นใครเป็นแบบหลวงพ่อเลยค่ะหญิงสาวอายุน้อยที่สุดพูด ขนาดรู้ว่าจะต้องตายแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจปรับทำหน้าที่ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจอุตสาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วเอาอย่างนี้นะสมมุติว่าหลวงพ่อเป็นข้าราชการชั้นโทแล้วอีกสองสามชั่วโมงข้างหน้าเขาจะเลื่อนให้เป็นชั้นเอกหลวงพ่อต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจหรือเปล่าหนูตอบสิ หลวงพ่อแน่ใจได้อย่างไรล่ะคะเขาอาจจะลดลงไปเป็นชั้นตรีก็ได้หญิงสาวยังคลางแคลนไม่ต้องห่วงหรอกหนูหลวงพ่อรับรองว่าจะไม่เป็นอย่างที่หนูคิดถ้าหนูอยากรู้จริงๆก็ต้องเข้ากรรมาฐานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อใดเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเมื่อนั้นความลังเลสงสัยก็จะหมดไปก็หลวงพ่อจะไปแล้วใครจะมาสอนหนูล่ะคะ หลวงพ่อมีตัวแทนที่สามารถทำหน้าที่แทนหลวงพ่อได้ทุกอย่างหรือเปล่าคะไม่มีหรอกหนูถ้าจะให้หาแบบนั้นหาไม่ได้แน่เพราะไม่มีใครจะเหมือนกันไปหมดทุกอย่างแม้แต่ฟ้าแฝที่หน้าตาเหมือนกันจิตใจก็ยังต่างกันถ้าอย่างนั้นคงไม่มีใครมาวัดนี้อีกที่เข้ามาก็เพราะศรัทธาหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อจะแล้วหนูเองก็คงไม่มา หนูพูดจริงๆนะคะหนูอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลใชจ้กชะการเข้าวัดเพื่อแสวงหาธรรมะแต่บางคนเข้าวัดเพราะไปชอบสมภารยิ่งสมภารหนุ่มๆโอ้โหสาวแก่แม่ไม่ปิดกันเกลียวแบบนี้รับรองไม่ได้บุญเอาละถึงแม้ว่าจะไม่มีอาตมาอยู่วัดนี้อีกต่อไปญาติโยมก็ควรจะเข้ากรรมาฐานหอประชุมมีพร้อมแล้วคนสอนก็มีแล้วคือพระบัวเยว และท่านก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้ซึ่งแปลว่าท่านมีคุณธรรมสูงพอที่จะสอนคนอื่นๆท่านแจ้งให้ญาติโยมทราบเกี่ยวกับพระบุยเฮียวสแสดงว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลใช่ไหมครับหลวงพ่อพระผู้ที่เข้าผลสมาบัติได้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลผมว่าอย่างน้อยๆท่านต้องเป็นพระโสดาบันใช่ไหมครับชายหนุ่มถามก็คงเป็นอย่างนั้น ถ้เช่นนั้นผมจะมาเรียนกรรมฐานกับท่านผมสแสวงหาพระอริยบุคคลมานานแล้วขอกราบเรียนตามตรงว่าผมเริ่มจะเบื่อพระเพราะเจอแต่ประเภทที่สอนเก่งแต่ปฏิบัติไม่ได้อย่างเช่นพระรูปหนึ่งซึ่งผมเคยศรัทธาท่านมากหากเอ่ยชื่อผมว่าใครๆก็ต้องรู้จักท่านสอนเก่งสอนออกวิทยุกระจายเสียงทุกวันแต่เบื้องหลังชั่วร้ายอย่าบอกใครเปลิดไปทั้งหมด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 วันนี้หลวงพ่อจะไปไหนหรอคะสตรีวัยกลางคนถามขึ้นไปบรรยายธรรมที่วัดกวิสาวนารามจังหวัดลบบุรีเขาจะส่งรถมารับท่านพระครูตอบในสมชายไม่ได้ทำกรรมมากับท่านจึงไม่ต้องไปร่่มชะตากรรมในครั้งนี้เวลาสิบเอ็ดนาริกานายแพทย์สมมิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดก็พาครอบครัวมาถวายพัทหารเพนแบบพด่พระภิกษุสมมเนรวัดป่ามะม่วง เขาไม่ได้มานิมนต์ไว้ล่วงหน้าโดยต้องการจะให้เป็นสังฆทานอย่างสมบูรณ์แบบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงฉันพัฒหานได้มากกว่าทุกครั้งยังผลให้ญาติโยมปราบปลื้มใจเพราะปรากฏการเช่นนี้ไม่เคยมียมาก่อนฉันเสร็จท่านถือโอ ก, กาสแสดงพระธรรมเทศนาเพราะต้องการสงเคราะห์ญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายโยมผู้หญิงคนหนึ่งแอบหนิงหาท่านว่าแม่หลวงพ่อท่านไม่ยอมหายใจทิ้งเลยนะ ทุกเวลานาทีของท่านช่างมีค่าเสียจริงแม้จากระสิบเบาๆหากผู้ถูกมินทาก็ได้ยินท่านพูดขึ้นลอยๆว่าคนที่หายใจทิ้งเป็นคนไม่มีประโยชน์ไม่สมควรมีชีวิตอยู่เรืองออกซิเจนเปล่าๆคนฟังก็พากันยิ้มทั้งที่ในอกนั้นสุดแสนจะเศร้าด้วยรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพวกเขาจะต้องสูญเสียปูชนียบุคคล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 เที่ยงครึ่งจะได้ไม่ต้องไปตายไกลวัดเขาจะได้เอาศพกรับได้สะดวกท่านพูดด้วยเสียหน้าท่าทางปกติอยากรู้ไหมว่าถ้าไม่อาจจะมาถึงต้องตายในวันนี้ท่านถามไม่มีผู้ใดให้คำตอบด้วยต่างก็ทำใจไม่ได้ทั้งสงสารทั้งเสียดายปูชนียบุคคลเช่นท่านเอาละไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรแต่อาจจะมาอยากจะเล่า ญาติโยมจะได้เก็บไปคิดเป็นการบ้านจะได้เชื่อว่ากรำเวร น, นั้นมีจริงเห็นคนฟังหน้าตาเศร้าสร้อยท่านจึงพูดขึ้นว่าญาติโยมที่รักทั้งหลายคนที่กำลังจะตายคืออาตมานะไม่ใช่ญาติโยมทำไมต้องทำหน้าหมดอะไรตายอยากอย่างนั้นสตรีวัยกลางคนถึงกับปล่อยโฮพูดละล่ำละลักว่าถ้าอีฉั้นตายแทนหลวงพ่อได้ อีชั้นยอมตายจริงๆชีวิตอีชั้นหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ไปก็เปลืองออกซิเจนอย่างที่หลวงพ่อว่าท่านพระครูยิ้มเพราะคำในท้อยคำของหล่อนคนอื่นๆก็ทำหน้าปั้นยากจะยิ้มก็ไม่ใช่จะร้องไห้ก็ไม่เชิง เอาละขอบใจที่จะตายแทนอาตมาแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ทากรรมแทนกันไม่ได้หรอกนะโยมอาตมาต้องตายในวันนี้ก็เพราะกรรมที่เคยหักคอนกกับรับจ้างต้มเต่าตอนยิงนกน่นนะอยู่มัธยมสามอยู่กับยายเวลาไปโรงเรียนก็ไม่เข้าเรียนแต่นี้ครูไปเที่ยวยิงนกตกปลาแอบขโมยปืนแก๊บของตาไปและอาตมาก็มีความสามารถในการก่อกรรมทําเข็ยนมาก เรียกว่าทำบาปขึ้นยิงปืนแม่นเรียงเดียวนกกระสาร่วงลงมาเป็นร้อยเลยใครอยากรู้เทคนิคการยิงก็ถามได้เดี๋ยวอาตมาตายแล้วจะไม่มีใครบอกท่านพูดยิ้มยิ้มทว่าคนฟังกลับยิ้มไม่ออกไม่มีใครถามหรืองั้นอาตมาก็ไม่บอกวิชานี้ให้มันตายไปตามอาตมาก็แล้วกันท่านพูดเล่นเพราะหากมีผู้ถามขึ้นจริงๆท่านก็จะไม่บอก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 พอลั่นไกลเปรี้ยงนกก็ร่วงลงมาเป็นฝูงแต่มีอยู่ตัวหนึ่งมันไม่ยอมตายแค่ปีกหักบินไม่ได้ความรักชีวิตทําให้มันวิ่งหนีอาตมาก็วิ่งตามพอจับตัวมันได้ก็จิตมืออาตมาเลือดพุ่งเลยด้วยความโกรธอาตมาหักคอมันทันทีแถมถลกหนังหัวอีกด้วยตอนนั้นเป็นคนจิตใจเยี่ยมโหดมากเสร็จแล้วก็โยนทิ้งมันยังดิ้นกระเดวกระเดว และก็คงจะอาฆาตอาตมาจนกระทั่งมันเส้นใจส่วนเรื่องต้มเตานั้นน่ะทำตอนที่อยู่มัธยมแล้วก็ใช้หนี้ไปแล้วในวันที่สิบสี่ตุลาคม2514ันหสิแต่เจ้ากรรมนายเวรเขาบอกตอนนั้นมันแค่เงินต้นวันนี้เขาจะคิดดอกเบี้ยแม้ขนาดใช้หนี้กรรมก็ยังต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอกนะโยมนะท่านหันไปพยักพเพย์ดกับโยมคนหนึ่ง แล้วก็เล่าต่อเรื่องก็มีอยู่ว่าพวกขี้เมาเขาเกิดอยากจะกินเต่าแก้มเหล้าก็ไปซื้อเต่าเล็กๆมาเจ็ดตัวแล้วก็จ้างอาตมาต้มให้ค่าจ้างหนึ่งบาทบาทเดียวเองเหรอคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งถามบาทเดียวนะมากแล้วนะโยมสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละสามสตังเงินหนึ่งบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้หนึ่งเดือนกับสามวันอาตมาเอาเงินเข้ามา แล้วก็จัดการก่อไฟเอาหมออดินใบใหญ่ใส่น้ําขึ้นตั้งบนเตาพอน้ําเดือดก็เทเตาเจ็ดตัวลงไปเตามันก็ดิ้นใหญ่คงจะสามัคคีกันดิน้นเพราะว่าหม้อแตกพอมอ่อดินแตกมันก็พากันตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดเข้าก่อไผ่ไปโยมเชื่อไหมน้ําตามันไหลพรากพรากแล้วมันก็ใช้สองขาหน้าปาดน้ําตาที่โบราณเขาเปรียบเทียบว่า ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเตา่าอัตมาเพิ่งประจักษ์ตอนนั้นแหละเห็นแล้วก็รู้สึกทุเรศในตาก็เลยปล่อยให้มันหนีไปพวกขี้เล่าเขาก็โกรธจะเอาค่าจ้างคืนอัตมาก็ไม่ยอมคืนให้ก็เลยไปลักประเข็มป้ามาปิ้งให้เขากินแทนเตา่าโดนป้าด่าแหลกเลยนี่แหละกรรมที่อัตมาทำไว้ในวัยเด็ก แล้วก็กำลังจะไปใช้นี่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขณะนั้นเวลาเที่ยงครึ่งรถที่วัดกวิสาวาร า, รามส่งมารับนั้นรออยู่แล้วเอาละ่ะอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ญาติโยมจงมันเจริญกรรมฐานถ้าใครคิดถึงอาตมาก็ให้ปฏิบัติมากๆเอาละ่ะขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนนะโยมนะรถที่มารับท่านพระครูเป็นรถสองแถวเก่า จะอาวาดวัดป่ามาม่วงนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนอุบาศกในชุดนุ่งขาวห่มขาวที่มาด้วยได้ย้ายมานั่งข้างหลังรถแล่นออกจากวัดตรงไปยังถนนสายเอเชียเมื่อถึงทางแยกเข้าจังหวัดลบบุรีคนขับซึ่งชิดขวาเตรียมตัวจะเลี้ยวรถฝั่งตรงข้ามก็วิ่งมาหลายคันจึงต้องหยุดรอจังหวะที่จะเลี้ยวขณะนั้นรถทัวร์ของบริษัททันจิต วิ่งแซงคันอื่นมาด้วยความเร็วสูงถึงร้อยสาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับรถมองไม่เห็นรถสมงแถวที่เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่ข้างหน้าจึงชนโครมเสียงดังก้องราวกับฟ้าถลม่มร่างของภิกษุวัยห้าสิบเศษกระเด็นออกจากตัวรถในลักษณะทลาร่อนดุดเดียวกับนกที่ถูกยิงลอยละลิ่วไปตกบนพื้นถนนห่างจากตัวรถถึงยี่สิบวา คอหักพับลงมาถึงราวนมหนังศีรษะเปิดตั้งแต่หน้าผากถึงท้ายทอยท่านพระครูเจริญได้ชดใช้กรรมของท่านอย่างกล้าหาญที่สุดเมื่อเวลา12นาฬกา45นาทีของวันที่14ตุลาคม2521